ร่วมบ่ายของวันที่สองนี่เราก็จะมาดูเรื่องของขันห้าสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เข้าใจขันห้าเนี่ยภาวนาไปเนี่ยไอเรื่องจะขาดจากความเห็นผิดในความเป็นตัวตนมันจะยากเพราะว่าวันนี้เรามีความเห็นผิดอยู่ อย่างหนึ่งที่เรียกว่าสกายทิฐิคือเป็นทิฐิที่ผิดในการที่เราไปเห็นว่ากายใจเนี่ยเป็นเราเป็นของเราเพราะฉะนั้นการที่เราจะพูดยังไงก็ตามเนี่ยมันจะเกิดแรงต้านข้างในอยู่ตลอดเวลาหากเราไม่เข้าใจขันห้ามันจะไม่แยกกอนเป็นชิ้นกระบวนการที่พระเจ้าให้ ปฏิบัติเนี่ยมันจะเป็นการไปสลายสลายความเห็นผิดการที่จะสลายความเห็นผิดสมมติว่ารถคันหนึ่งเราจะบอกว่ามันเป็นองค์ประกอบของหลายๆส่วนมารวมกันจริงๆมันไม่ใช่รถหรอกการที่จะทำให้เห็นความจริงคือต้องสลายรถออกเป็นล้อเป็นดุมเป็นพวงมาลัยเป็นอะไรออกมา แล้วมันจะเห็นว่ารถอยู่ไหนเนี่ยมันไปเรียกสิ่งนี้ว่ารถเฉยๆทีนี้จะสลายสักกายะทิฏฐิคือความเห็นผิดเนี่ยพระเจ้าถึงได้บอกว่าเธอต้องยุบท่องไม่ก่อต้องคว่างทิ้งต้องไม่ถือเอาต้องไม่ทำให้ลุกโคงคืออย่าทำให้ขันเนี่ยมารวมกันแล้วมันเป็นความเข้าใจผิดเพราะความเข้าใจผิดมันมีอยู่มาตลอดทายังไงให้เกิดทิฏฐิที่มันถูกเครดสตมาทิฏฐิ ต้องสลายไอ้ตัวนี้ออกเมื่อสลายออก เ, เป็นชิ้นๆปับ๊บในเราการสลายเป็นชิ้นคือต้องสลายออกไปให้เป็นขันห้าจริงๆไม่ได้สลายให้เป็นขันห้าเรามันเป็นขันห้าอยู่แล้วแล้วการที่เรามาศึกษาเพื่อจะทําให้เกิดสัมมาทิฐิก็ไม่ใช่ทําให้เหมือนที่พระพุทธเจ้าบอกพระพุทธเจ้าก็เข้าไปเห็นความจริงว่ามันไม่มีเรามันเป็นแค่ขันมารวมกัน ทีนี้การที่ขันมารวมกันก่อตัวกันขึ้นมามันจึงเกิดความเข้าใจผิดที่ไปยึดขันเนี่ยเป็นของเราเป็นเราขึ้นมาวันนี้เราก็จะมาดูกันเรื่องของขันห้าสักนิดหนึ่งทีนี้ของสิ่งเนี้ยสมมุติว่าของสิ่งเนี้ยมันมีอยู่ห้าขันเนี่ยมันเป็นขันห้ามันไม่ใช่เราเนี่ย ความก็จะผิดอันหนึ่งก็คือมันจะงงว่าถ้ามันเป็นขันห้าจริงแล้วมันเกิดความรู้สึกเป็นเราขึ้นมาได้ยังไงแล้วทำไมพอเราเริ่มสังเกตก็ไม่เห็นมันเป็นขันห้าเลยก็ยังรู้สึกเป็นเราอยู่นี่แหละมิจฉาทิฏฐิเนี่ยมันฝังรากลึกมายาวนาน ทีนี้กว่าที่มันจะสลายสิ่งนี้ลงไปได้มันอาศัยหลายอยา่างที่จะเป็นองค์ประกอบให้เข้าไปเห็นขันห้าหนึ่งคือเอาง่ายๆเลยจิตใจต้องตั้งมั่นจิตจะต้องตั้งมั่นไม่งั้นมันไม่เห็นแล้วทำไงจิตถึงจะตั้งมั่น มันต้องย้อนกลับไปอีกอะไรที่เป็นองค์ประกอบทําให้จิตไม่ตั้งมั่นก่อนหนึ่งการชุ่มอยู่ด้วยกามเมื่อไหร่ก็ตามที่เรายังชุ่มอยู่ด้วยกามที่เสพเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วเข้าไปหลงไหล ย, ยึดถือสิ่งเหล่านี้จะเข้ามารบกวนจิตใจทําให้ไม่สงบตลอดเวลา ใครไปยึดอะไรที่เกี่ยวกับรสชาติก็คือเอาลิ้นก็ไปเกี่ยวก็จะเกิดกามของลิ้นขึ้นมาบางคนก็เกี่ยวกับกายสัมผัสหรือว่าทำอะไรเป็นประจำหรืออาจจะเป็นเรื่องของตาชอบดูทีวีหูชอบฟังเพลงสิ่งเหล่านี้จะเป็นเครื่องรบกวนอยู่เรื่อยๆมันทำให้ใจไม่สงบที่เรียกว่านิว เพรานการที่เราพลากออกมาวันนี้เป็นวันที่สองก็ อ, อาจจะไม่นิ่งสงบทีเดียวแต่พอวันที่สามสี่ก็จะดีขึ้นโดยลำดับห้าหกเจ็ดก็อีกเรื่องหนึ่งลพอแปดเก้าก็เริ่มเบือ่อก็จะโหยหากลับไปในสิ่งที่มันยึดติดอีกมันก็จะวนเวียนกันอยู่อย่างนี้พลากแรกๆ ก, ก, ก็ดีจังโอ้แตนี่พอสักวันที่ห้านี่กำลังจิตใจกำลังฮึกเหิม โอ้โหนะถ้าวันที่ห้าขนาดนี้เท่าวันที่สิบห้าจะขนาดไหนนะถ้าสิบห้าอยากกลับเต็มทีแล้วนะมันก็จะดีดกลับไปอีกไม่ง่ายหรอกเพราะนั้นแค่สิบห้าวันยังพากไม่ได้แล้วถ้าต้องพลากทั้งชีวิตจะทำยังไงมาอยู่ที่นี่หกวันก็ยังอาจจะดิ้นรนอยู่ข้างในแล้ววินาทีที่รู้ว่าเราหมดหวังแล้ว ที่จะมีชีวิตต่อไปบนโลกนี้ซึ่งวันนั้นมาถึงแน่รับรองได้ว่าดิ้นพลาดดิ้นพลาดพลาดทุกขติภูมิเป็นอันหวังได้ถ้าไม่ฝึกไว้ตั้งแต่วันนี้ mm hmm. เพราะฉะนั้นมันต้องหัดละวางข่มจิตข่มใจบ้างอย่าปล่อยให้มันไหลไปตามอำนาจของกิเลส วันนี้เราเดินทางเข้ามาตรงนี้เราเห็นโทษภัยแล้วเฮ้ยรู้ไม่ติดหรอกกินของอร่อยก็ไม่ติดนี่รู้อยู่ว่ากินของอร่อยคนติดคือใครแล้วทําไมอ่ะแล้วเรารู้อยู่ที่ไหนแล้วใครติดก็ถ้าสอนมันอย่างเนี้ยคนติดกาแฟเนี่ย นี่ชินอยู่รู้ตัวสูบบุหรี่อืรู้ถ้าติดติดไปนานแล้วยี่สิบปีแล้วสูบมาถ้าติดติดไปนานคนติดมันอยู่ที่ขันขันขันขันขันสัญญาสัญญาอะไรพวกนี้ความเคยชินของขันมันติดเมื่อไหร่้อนมันมันก็ติดเมื่อไหร่ไปแย่มันมันก็ติดพรดะเจ้าถึงให้เด็กขมมากออกมาไง แต่มันจะมีกระบวนการหนึ่งที่สามารถชำระได้เมื่อถึงละเอียดละเอียดก็คือการละตันหาเนี่ยมันก็ทำให้ต่อให้มันอยากมันก็อยากที่ตัวตัวของขันเองแต่ไม่สร้างอกุศลขึ้นในใจเพราะฉะนั้นสิ่งนี้จะเริ่มเข้าใจยากขึ้นอีกชั้นหนึ่งแล้วพระสุบริม เดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยยอมรับแล้วถูกไหมครับถ้าเราเห็นพระสุบริตอนนี้เราอากุศลด้วยถูกไหมตรงไปตรงมาเลยแต่ถ้าย้อนหลังกลับไปสักยี่สิบปีที่แล้วท่านว่าพระสุบริเยอะไหมเยอะนะหลวงปู่หลวงตาที่เราเคารพนับถือสุบริทั้งนั้นนะเคี้ยวหมากสุบรินี่เป็นเรื่องปกตินะครับเดี๋ยวให้ฟังอะไรนิดหนึ่งก่อนยังไม่ไปที่ขันห้าไปที่ขันที่ก่อ ฟังไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันเดี๋ยวจค่อยชี้ให้เห็นบางตอนเดี๋ยวเจ้าของซีดีชุดนี้คงจำได้ของตัวเองในพรรษานี้ข้าพเจ้าได้รับบทเรียนในพรรษานี้ ในพรรษานี้ข้าพเจ้าได้รับบทเรียนเป็นพิเศษมากมายพอดูวันหนึ่งฝนตกใหญ่ข้าพเจ้าก็รีบเข้าห้องนอนหลวงปู่มั่นกับหลวงพ่อวิริยังรับก็ขอบคุณพี่โกยเพราะครึมฟ้าน่าจะนอนมากแต่พะเองหลังลงหน่อยเท่านั้นด้วยความเป็นห่วง จึงแง้มหน้าต่างมองไปที่กุฏิของท่านพระอาจารย์มั่นข้าพเจ้าต้องตกใจมากเพราะท่านผัดผ้าส่งน้ําออกตากฝนรองน้ําฝนใส่โอ่งอยู่องเดียวข้าพเจ้ารู้สึกว่าเราผิดแล้วทํำท่าจะนอนท่านพระอาจารย์ท่านกําลังรองน้ําฝนอยู่ข้าพเจ้ารีบผัดผ้าอาบโดยพลันลงจากกุฏิยังกับจะวิ่งเข้าไปช่วยท่านรองน้ําฝนข้าพเจ้าพูดกับท่านว่า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 ท่านก็เข้าห้องจำบัดไปข้าพเจ้ากราบกุติแล้วก็มานึกถึงว่าน้ำฝนเป็นยาน้ำฝนเป็นยาท่านพระอาจารย์มั่นท่านบอกทมเอาข้าพเจ้าพยายามที่จะอาบน้ำฝนให้มากเพื่อจะได้เป็นยาจนกระทั่งบัดนี้การพรรษานี้ข้าพเจ้าเพิ่งจะบวชเป็นพระพิสุพรรษาที่สองรู้สึกว่าเป็นพรรษาที่อิ่มเอิบด้วยธรรมะอย่างยิ่ง ท่านพระอาจารย์มั่นได้แสดงธรรมะแทบทุกวันแต่ละครั้งของท่านแสดงธรรมะดุดจิ้มหรือจี้ลงในหัวใจของข้าพเจ้าอย่างลึกซึ้งสุดพรรน า, นาทาให้ข้าพเจ้าระลึกถึงบุญวาสนาบา ร, รมีของตนเองว่าบุญจริงๆหนอที่ได้มาพบพระอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและแสดงธรรมะที่ทราบซึ้งจริงๆจะมีอะไรเล่ามาเปรียบเทียบได้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 เสร็จท่านก็เข้าห้องเวลาบ่ายโมงท่านจะออกมานั่งข้างนอกข้าพเจ้าก็ต้องเตรียมน้ําสําหรับชงชาชาก็เป็นชาเชียงใหม่และเตรียมหมากครูปูนยาไว้สําหรับตําห ม, มากถวายท่านพร้อมทั้งบุหรีอันเป็นยาสูบที่ชาวบ้านเขาปลูกกันวันนี้ก็เช่นเดียวกับทุกๆวันข้าพเจ้าได้ทำเช่นนั้นหลังจากทุกอย่างเสร็จเรียบร้อย ก็ได้มวลบุรีถวายท่านเพราะท่านสูบควันบุรีก็ออกมากระทบกับจมูกของข้าพเจ้าวันนี้เป็นอย่างไรก็ไม่ทราบเกิดเหม็นควันบุรี่ยิ่งกว่าทุกวันจนอดไม่ไหวจึงได้พูดว่าแม้บุรีเนี่ยเหม็นจริงๆท่านนั้นเองข้าพเจ้าก็ต้องถูกดุว่านี่วิริยังการยกโทษพืออื่นนั้นไม่สมควรอย่างยิ่งว่าแล้ว ท่านกมุมวอนบุหรีขึ้นตัวหนึ่งเบอร์รมให้ข้าพเจ้าบอกว่าอ้าวสูบเสิดเดี๋ยวนี้เมื่อสูบแล้วจะได้ไม่ยกโทษผู้อื่นทําเอาข้าพเจ้างงไปต้องสูบบุหรีแล้วก็สําลักท่านก็หัวเราะชอบใจข้าพเจ้าได้คิดเรื่องนี้ไว้เป็นการบ้านอยู่ตลอดเวลาว่าการที่ท่านพระอาจารย์มั่นท่านแนะนําพร่ำสอนบุคคล น, นี้ท่านสอนโดยทุกวิธี แมต่การสู่บุรีทำ เ, เป็นไงผมถึงบอกว่าระวังเรื่องอากุศลในใจนะโลกนี้อย่ายนึกว่าตัวเองรู้นะอย่าคิดว่าเรารู้นะถ้าเมื่อไรไม่เข้าใจสังขารลึกขันนะตีความพระอรหันต์ผิด เอาข้าพเจ้าต้องจดจำตลอดชีวิตว่าการที่จะยกโทษคนอื่นนั้นย่อมไม่มีประโยชน์อะไรเพราะคนเราต่างก็มีความสามารถไปคนละอยา่างเมื่อเขาทำไม่เหมือนเราเราจะไปว่าเขาไม่ดีก็ไม่ควรและควรจะมองคุณประโยชน์ของแต่ละบุคคลซึ่งคนคนหนึ่งมิใช่ว่าจะเสียไปหมดแล้วก็มิใช่ว่าจะดีไปหมดถ้าบุคคลผู้ฉลาดแล้ว ดินที่ตรงไหนก็มาทำประโยชน์ได้ถ้าหากว่าเราจะไม่ยกโทษว่าดินมันต่ําสามอีกวันหนึ่งขณะที่ข้าพเจ้ากาลังหั่นผักถวายท่านในเวลาพัตตหารเช้าตามปกติท่านจะต้องฉันผักทุกวันแต่ฟันของท่านไม่ดีเพราะต้องใช้ฟันเทียมจึงต้องหั่นผักให้ละเอียดข้าพเจ้ามีหน้าที่จะต้องหั่นทุกวัน ในเมื่อท่านเลือกดูแล้วว่าผักนี้เป็นที่ถูกกับธาตุของท่านในวันนั้นข้าพเจ้าได้หั่นผักเป็นพิเศษคือหั่นให้ห ย, ยาบๆเพราะทุกๆวันหันละเอียดพอดีท่านเหลือบมาเห็นก็ได้ถามข้าพเจ้าว่าวิริยังทาไมจึงหั่นหยาบนักวันนี้มันอร่อยดีครับทันละเอียดแล้วมันไม่อร่อยข้าพเจ้าตอบนี่แหละนะเขาว่า อวดเขี้ยวก็คือหมาอวดงาก็คือช้างท่านพระอาจารย์ท่านว่าในขณะที่พระพิสุสมนเณรเต็มศาลาขณะที่เตรียมจะฉันพัตตหานเช้าทาเอาข้าพเจ้าสะดุ้งเฮือกเป็นนั้นว่าท่านพระอาจารย์มั่นท่านสอนคนทุกขณะเวลาอันการพูดของท่านว่าอวดเขี้ยวคือหมาอวดงาคือช้างท่านได้เปรียบเทียบคนที่โอ้อวด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 พระอาจารย์มั่นท่านเปรียบคนพวกนี้เหมือนกับสัตว์ตีและฉานก็ได้ตามที่ท่านได้ตําหนิข้าพเจ้าท่ามกลางพระพิสุสั ม, มนเนธขณะที่ข้าพเจ้ายังไม่ทันตั้งตัวเลยเพียงข้าพเจ้ามีเจตนาที่จะให้ท่านได้ฉันอร่อยสักวันหนึ่งเท่านั้นแต่ท่านก็ถือโอกาสดุดาเป็นการสั่งสอนที่แนบเนียนที่สุดและได้ผลที่สุดเฉพาะตัวข้าพเจ้าต้องจดจําจนวันตาย และเพื่อนสหธรรมิกที่รวมอยู่กับข้าพเจ้าก็ได้สติประลึกอยู่อย่างแนบแน่นในจิตใจเท่าที่ข้าพเจ้าจําพระเถระที่อยู่ร่วมกันวันนั้นคือท่านพระอาจารย์หลุยพระอาจารย์มหาบัวพระอาจารย์เนตรพระอาจานนรย์เนียมนอกนั้นก็ลืมเลือนลางไปเสแล้วรวมประมาณ20สกว่ารูปเพระเาะฉะนั้นใครติดบุรี่ บางคนก็บอกว่าพาาระหันเป็นผู้ที่ปราศจากโลภะโทสะโมหะใช่ไม่มีอะไรผิดบางวันท่านก็ออกมาแล้วก็ด่าลูกศิษย์กระเจิงเลยพวกคนที่ไปปฏิบัติเนี่ยหัวงุดเลยเดินทีนี้เดินจงกรมไม่หยุดเลย พอเข้าไปนั่งคุยกับท่านท่านก็ยิ้มหัวล้อปกติไม่ได้โกรธไม่ได้ทำเพราะโกรธก็ทำเพื่อประโยชน์ของคนคนนั้นอะไรเองบางทีก็ทำให้ท่านโกรธ อ, อย่างสมมติเหตุการณ์หลวงพ่อวิริยังทำหลวงปู่มั่นก็ว่า คนที่อยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นอาจจะรู้สึกเลยว่าโอ้ยทำไมหลวงพ่อต้องดา่าต้องดุขนาดนี้เล่นด่ากลางซาลาเลยท่านไม่ได้โกรธโกรธมีอยู่แต่ไม่เอาหลักสูตรนี้เราฟังทรรมครูบาอาจารย์เยอะนะจะได้เห็นมุมมองอะไรบางอย่าง ไม่อย่างนั้นเนี่ยไอ้ข้อสงสัยถ้าปล่อยให้คิดกันเองเนี่ยมันก็จะคิดด้วยความคิดของกูกันหมดแหละเขาไม่พิเศษมากแค่ไหนทำอยู่บ้างนะเดี๋ยวไปทิ้งเนอะทิ้งทำไมมมีที่อาศัยนะเนอะมันเป็นว่าเทื่ยขาดจะไปทิ้งธรรมะเขาให้เงินเดือนของคุณเดือนละล้านบาทคุณจะไปได้ไหมเดี๋ยวตายทิ้งเหมือนกัน่ะ ภพราวนาเดีย๋ยวไปลืมตัวในวัฏสงสารมีแต่สิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสืดเส้นเลือวก็แปรปรวนระดับไปความสุขในโลกมันไม่มีถ้ามันมีนก็ทหารก่อนมีประตูที่จะเบื่อนหน่ายสุขของคารวาสก็สุขเกิดแต่ความเมตัส์สุขเกิดแต่ใจรับบริโภคสุขเกิดแต่ความไม่เป็นหนี้เป็นศีล ทุกเกิดแต่ตางานที่ปฏิจจคติโทษถึงอย่างนั้นคือิอยู่ใต้อำนาอนิจังเกิดขึ้นในครอบครัวนั้นแตกกระจาผู้ใดเสียดายอยากล่วงละเมิดเียน่าผู้นั้นไม่ใช่สุปฏิปนันโนไม่ใช่ทำมาจากสุจากสุคือดวงตาไม่ใช่สมันตะจากสุไม่ใช่จากสุรอบครอบผู้ใดเสียดายอยากล่วงละเมิดระบายใช่ไหม ผู้นั่นก็ไม่เข้าถึงพระโสดาบันเน้อผู้ใดเืียดายอยากจะถือศาสตาอื่นมาปนเปอกับศาสนาพุทธอันยักซับทุเทศถือศาสดาอื่นผู้นั่นก็ยังมาถึงใ่สนธนากรมแท้ยังเป็นเหลาเชื่อขาดอยู่ยังเอาเป็นที่พึ่งของตนยังไม่แน่ยังเป็นนุ่นปลิวไปตามลมอยู่ หมู่มากลา ก, ปกไปทางเครื่อเขระต่ากับเขารากพระช้านี้เขาไปกับเขาไงเราไม่ใช่ไถจังห้เขารากไปยังไงเราไม่ใช่ถามไถลากพระชางเสื้อกระต่ายกับเขาลากพระช้านี้เข้าไปกับเขาอ่ะเอาไปประมาณมาได้เพราะไม่มีกรรมสิทธิ์กับตัวเชื่องตัวไม่ได้คนหมู่มากลากไปทุกวันนยถ้าจะเอาคนหมู่มากเป็นประมาณนวดคนหมู่มากลล่องเลยครับบอกว่านิยมกินอุจจระว่าอย่างนั้น ใครกินอุจจระแล้วจะเป็นคนมีปัญญาอย่างเขานิยมกันกินหมดเพราะแผ่นดินเนี่ยบลกปูก็ไม่กินเนะ้ะลูกผูไม่กินเขาจะนิยมกินก็ตามลูกูไม่กินวันนี้เป็นไหมพวกเราคนหมู่มากลากไปเรื่อยอ ย, อย่าไปคิดที่อุจจระนะ เวลาท่านพูดเนี่ยท่านไม่ได้หมายถึงอุจระจะแฟชั่นเกาห iPhone, ลีไอโฟนไอแพดอะทุกอย่างแหละเนะยเวลาท่านพูดท่านไม่ได้หมายถึงอุจระครูบาอาจารย์เวลาท่านเห็นแล้วสองตาเนี่ยท่านใช้เนื้อเรื่องเดินไปอย่างนั้นเองแต่ปรมามะที่ท่านหมายถึงเนี่ยมันเป็นอยู่ที่จิต เพราะฉะนั้นเวลาเราฟังทำอย่าฟังคำฟังย้อนกลับเข้าไปที่ตัวสภาวะก่อนที่ท่านจะพูดออกมาทีนี้เวลาเราได้ยินเซนหรือว่าการพูดกันของอย่างเช่นนักปราชญ์ตอบกันดีเหลือเกินอะไรเงี้ยตอบได้ทันกันเหลือเกินไม่ต้องนัดหมายหรือเตรียมกันพูดอะไรขึ้นมาเรื่องหนึง่ง อีกคนก็ต่อไปอีกเรื่องหนึ่งคนอีกคนนึงนั่งอยู่ไม่รู้เรื่องเลยอย่างเงี้ยนะเพราะว่าคนหนึ่งพูดจัดจิตอาศัยคำของโลกพูดมาเฉยอีกคนนึงอาศัยคำโลกแล้วย้อนกลับไปที่จิตคนพูดแล้วก็พูดต่อคนก็จับเรื่องนั้นแล้วก็ดูกลับไปที่จิตคนพูดแล้วก็พูดกันต่อไปจะเรื่องอะไรก็ได้คาพูดมันลอยลมไปอย่างนั้นแหละนะไปตามเนี่ย แต่ว่าเข้าเข้าใจกันที่ตัวจิตตัวเจตนาที่จะพูดตัวเจตนาไม่ได้พูดคำนี้เดี๋ยวมีปัญหาอีกเพราะพาระอรหันต์ไม่มีเจตนานะดูย้อนกลับไปที่ต้นกําเนิดของมันอย่างเช่นพระเซนสองรูปยืนดูธงสวัสดิ์อยู่บนยอดเสาองค์หนึ่งก็บอกโอ้ธงไหวอีกองค์บอก ไม่ใจไหวถ้าใจไม่ไหวไม่พูดเรื่องทงไหวเคยเห็นหรือว่าเคยเป็นเองไหมเวลาเราฟังเพลงที่มันถูกใจแล้วจังหวะมั น, นเพลงมันมันเนะแล้วกเออ็เนี่ยถ้าไม่มันก็ รู้ไหมว่าทำไมคนทั้งหมดถ้าเรานั่งดูทำไมก็ถึงหรือให้กับอะไรอย่างเงี้ยคนนึงเราก็จะทำกันอย่างนี้ถูกไหมไม่ใช่คนทางโลกหรอกพวกเราเนี่แหละก็เ <c> ป <oughs> <c oughs> ็นรู้ไหมว่าทำไมถึงเป็นเสียงกระทบจิตปรุงแต่งจิตมันเริ่มขยับกายมันจึงขยับ เมื่อมันขยับมากขึ้นกายจะขยับมากขึ้นคนที่จิตเขานิ่งเขาไม่เขาไม่เต้นเขาไม่กระดึกกระดึกดึกไปตามจังหวะเพลงดวงจิตแท้ๆมันเกิดไวไม่ทันรู้ตัวหรอกถูกต<น>มดวิจตไฟฟว่าถูกมันเพียงมันก็ทำลายโมหะหมดแล้ว มากน้อยสติมันไม่ใช่รู้ตัวเขามันเกิดมันเกิดผลเดียวแล้วก็จับไปความรู้ตัวตอนนั้นมันก็มีอยู่ในตัวไม่ต้องแต่งมันจะมันเร็วที่สุดไอตัวที่มันเป็นมัดเป็นแพร่มันเกิดไม่ใช่รู้ตัวถูกมันแวบเดียวมันไปถึงมีนาทีถูกมัดขัดจิตมันไม่มีถามตอบอะไรแป๊บเดียวมันก็มือขี้ไปมือต้อนเลยถูกว่า ไอ้กเกษตรที่ว่าเดินเหถินข้างหนอกนี้มันเอาไว้ใช้ในโลกเท่านั้นเอง